now behind me do want saw ready with with ไอ้พายมึงพูดมาได้จะ ไอ้สกบัดตัวแขวะสิงกระแซะหนักพอมีเรื่องเท่านั้นแหละ